ยังทำไม่เป็นทุกเป็นทุกยังทำไม่เป็นโกรธเป็นโกรธยังทำไม่เป็นออะไรมาเป็นความชอบเอามาเป็นความไม่ชอบยังทำไม่เป็นแต่เห็นแล้วก็ไม่เป็นอย่างพระสูตรเบื้องต้นที่เราศึกษามีสติดูกายเห็นกาย มีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับกายที่ทำให้สุขให้ทุกข์ในความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นถอนออกถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้มีสติสำมัญญาแล้วแลอยู่หัดตรงนี้กันถอนออกมา มันพอใจถอนความพอใจออกมาลู่มันไม่พอใจถอนความไม่พอใจออกมาลู่ให้มันเห็นให้มันเห็นอย่าเป็นเป็นผู้พอใจเป็นผู้ไม่พอใจเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกเป็นผู้ได้เป็นผู้ไม่ได้มันเรียกว่าเรียกว่าเป็นถ้าเป็นเราไม่ถูกต้องถ้าเห็นแล้วถูกต้อง อันเห็นอย่างนี้แล้วว่าองค์มรรคถ้าเห็นเราก็หลุดพ้นถ้าเป็นเราหลุดพ้นไม่ได้เป็นสุขก็ไม่พ้นจากความสุขเป็นทุกข์ก็ไม่พ้นจากความทุกข์ถ้าเห็นมันสุขก็พ้นจากความสุขถ้าเห็นมันทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์เพราะมันเป็นองค์มรรคเป็นทางมันผ่านทางผ่าน ไม่ใช่ทางที่เดินด้วยเท้าผ่านผ่านผ่านจากจิตใจที่เหมือนค้องรวมสุขควาให้คล้องรวมทุกข์ความให้ค้องอยู่ถ้ามีสุขก็ไม่ทุกข์ถ้ามีทุกข์ก็ไม่สุขมันไปไม่ได้จึงเห็นมันก็ผ่าน ถ้าเห็นนี่เป็นเป็นมรรคมันหลุดไปแล้วไม่เป็นแล้วทำอย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าเจนเจนฑ์ชีวัตของเรามันมีเจนฑ์ชีวัตในตัวไม่ต้องไปหาคำตอบจากใครที่ใดช่วยตัวเอง โดยเพราะภาคปฏิบัติไม่ใช่ทฤษฎีทฤษฎี ต, ต, ต้องต้องต้องต้องช่วยกันคนอื่นช่วยเราถ้าปฏิบัติเราต้องช่วยตัวเองตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางาที่สุดช่วยตัวเองเป็นก็เจงไปเรื่อยเจงไปเรื่อยๆ ในในกินในมาตรฐานใช่ได้สุขแค่ไม่ได้เห็นวันสุขใช่ได้ถ้าทุกข์แค่ไม่ได้เห็นวันทุกข์ใช่ได้อะไรก็ตามที่เกิดกับกายกับใจเห็นทั้งหมดไม่เป็นรูไม่เข้าไปอยู่ ดูมันมันสุขอย่าไปอยู่ในความสุขดูมันดูแล้วก็เห็นเห็นแล้วไม่เป็นมันก็มีอย่างนั้นถ้าอยู่อยู่แล้วก็เป็นเป็นภพเป็นชาติเป็นภพเป็นชาติเป็นเชื้ามรณะโสกปิิเทวทุกข์ป่วย เป็นภพเป็นชาติเกิดดับเกิดดับเกิดดับทีหยิบเพราะเพราะตัวสมุทัยเพราะตัวสองขารนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วยังมีอาการยังมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับในําวะที่เป็นมันก็มีพบเป็นชาติในพ้นจากการเกิดเจ็บตายไปได้ถ้าเราเห็นไม่เป็น ดูแล้วเห็นเห็นแล้วไม่เป็ น, นมันก็พ้นจากการเกิดแกมเจ็บตายที่หลามบังหนโสกปริเวทะทุก์ได้เราต้องเริ่มต้นเหยียบเส้นทางให้ได้มันมีทิศ ท, ทางทางตันทางถุดตรงไปไม่ไปไม่ถูก ทางผ่านไปถึงกับไม่ายทางท่างตันด้วยก่โมทุกข์ขันนี้อัท่าจิม่ทนโยกตึงเครียดเอาจริงเอาจังิงเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ชอบถ้าได้จริงใจเอาอันนี้ว่าตันอยู่ที่ก็ได้อยู่ที่ไม่ได้ ทำไหไรก็ได้ทำไหไรก็ไม่ได้มันตันแค่นั้นเหมือนมาหลวงกอยาบุตรภิกษุรูปหนึ่งมีปัญหาเรื่องชีวิตของตัวเองตอบไม่ได้อวดมาเพื่อจะถามพระุทธเจ้าให้พระุทธเจ้าขี้แจงให้ ถ้าพระพุทธเจ้ามาชีแจงเรื่องนี้ให้โคจะกราสึกขาแล้วก็ถามพูดุทธเจ้าวาาาา่าเกิดตายตายเล้่เกิดใหม่จะเกิดเรไปไหนถ้าตายแล้วมาเกิดเป็นอะไรสงสัยเรื่องเกิดเรื่องตาย ถ้าผู้เจ้าไม่เฉลยเรื่องนี้ผมจะลาสึกคําตอบให้สักห น, น่อยผู้เจ้าไม่ตอบแล้วนี่แหละอะไรที่มันเกิดอะไรที่มันตายไม่ใช่เป็นคําตอบของคนอื่นผู้อื่นตอบให้ใช่ไม่ได้คุณต้องตอบเองไม่ใช่เรื่องคําตอบของคนอื่นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องคําถามเป็นของส่วนตัว มันเกิดไหลขึ้นเกิดสุกเกิดทุกข์เกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงเกิดจิต劣ตัณหาล่ะคะคุณจะทำยังไงถ้ามันเกิดโกรธคุณก็โกรธอยู่โขมโกรธจะพไปทางไหนถ้าเกิดสุกคุณก็สุกคุณสุกจะไปทางไหนมันจริงไหมคุณต้องตอบตัเองถ้ามันเกิดสุขคุณก็เห็นมันสุก ไม่ใช่เป็นผู้สุขผูค้คุณสุขคุณต้องตนต้องไปถามใครไหมถ้าคุณโกรธคุณไปต้องถามใครไหมเราโกรธหรือเปล่าเราทุกข์หรือเปล่าเราสุขหรือเปล่ามีคําถามไหมคนอื่นไม่รู้เป็นปัจจิตตังของตนเองแล้วคุณมีทุกข์ล้องไปถามคนอื่นหรฉันทุกข์หรือเปล่า ถ้าคุณหลงต้องไปถามใครไหมเหนหลงหรือเปล่าถ้าคุณมีสติรู้ความหลงหมดไปความหลงหมดไปหรือเปล่าสติคุณไปต้องไปขอใครไหมคุณต้องทำเองอารมณ์ก็ะปวดก็เข้าใจเรื่องนี้นำไปปฏิบัติในบรรลุผรหันเลยอันนี้ อาจจะผิดไปฮะจะไม่ได้รู้จําแต่ว่าหลักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่มีคำถามไม่ถึงคำตอบเรียกว่าเกณฑ์ขี้วัดถ้ามันหลงเรารู้ถูกต้องแล้ว ถ้ามันสุขเรารู้ถูกต้องแล้วถ้ามันโกรธเรารู้ถูกต้องแล้วอะไรที่มันแสดงออกแปดหมื่นสี่พเรื่องอยู่กับปับจจัเราจบไปเลยมันไม่มีอะไรที่ล้วมันเห็นถ้าเรามีตาภายในมีสตินะมันเห็นถ้าเราไม่มีสติก็ไม่เห็นอยู่กับพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไร อย่างองคุลิอย่างเทวทัตเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าผ่อชายเหมือนกันยังเป็นสังกเัเพศไปเลยไม่มีประโยชน์ะลรอย่างพระปกลิอยู่กับผู้ที่เจ้าเป็นหนุ่มเห็นผู้ที่เจ้าไปแสดงท้งเกิด เกิดลักคุณเจ้าอย่างสุดหัวใจอยากจะดูอยากจะเห็นอยู่บ่อยๆงนางจุ่เสียงการูกจรปบใสยเรียบร้อยเห็นแล้วเย็นใจซึ่งเป็นชายหนุ่มก็ติดตามไปก็เลย ออกบวชอยากจะอยู่ใกล้ๆพุทธเจ้าคือบวชไล่บวชบวชแล้วก็ไม่หนีไปไหนนั่งมองค่อยแอบดูพุทธเจ้าตลอดเวลาเผลอๆก็จับชายชีวรจับพระหัตจับอะไรต่างๆถ้าองค์อยู่พระเจ้าเห็นลักษณะของ วักกะลิก็ด่าวักกะลิเธอหนีไปอย่ามาอยู่ที่นี่ออกไปให้พ้อนอย่ามาอยู่นี่วักกะลิก็เสียใจจะ ไปโดดหน้าผาให้มันตายไะ อ, อกหักจะข่าตัวตายเมื่อไม่ได้อยู่ใกลุู้ธเจ้าแล้วผูเจ้าก็ไปช่วยไปเห็นเศร้าหมองอาว่า เ, เออพวกไม่อยู่เขาจะคิดโดดหน้าผามันตายไปจะ เจ้าแสดงให้บังวัคคอผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นพระธรรม นี่นจะจับนิ้วมือนิ้วเท้าของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ชื่อว่าไม่เห็นพระเจ้าต้องเห็นธรรมหลังจาสาขยายพระสูตรว่ากะลก็ที่ว่าโอ้เท้าพุทธเจ้าอันเรานี่ยตถาคตนี่ไม่ใช่ผัวพุทธเจ้า เห็นของที่น่องป่วยเจริญหมดไปได้พระเจ้าตัวจริงคือพระธรรมอว่าเกลีก็เห็นเนาะถ้าพระู้เจ้าตัวจริงจะดีไปกว่านี้คงจะดีมากก็เลยศึกษาเรื่องธรรมะเห็นปฏิจจมัวบาทผู้ได้เห็นปฏิจจสมุปบาทคนทหเห็นว่าพระธรม ร, ะธรมเห็นพระธรรมที่เห็นพระผู้เจ้า เขาอยากเห็นพระเจ้าตัวจริงเลยปฏิบัติธรรมเจริญสติอย่างที่ภาพปฏิจจสุปบาทเห็นโชว์อยู่ที่ร้านเห็นกงนั่นคือเห็นธรรมแร้ก็ดีก็ปฏิบัติธรรมเห็นธรรมเห็นรอง รู้แจ้งปฏิบัติธรรมไปจนได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกด้วยนี่คือมามาในทางที่ผิดเปลี่ยนไปนถูกได้บางทีเราตั้งใจปฏิบัติธรรมจะอาให้ได้กำหนด ถ้าไม่ได้ก็จะลาสึกขาซะก็มีเหมือนกันหลายรูปที่มาอยู่ที่นี่ผมจะมาปฏิบัติสามเดือนเอาจริงจังถ้าไม่ได้บรรลุ ธ, ธรรมหรือแต่งว่าผมไม่มีบุญว่าสนาจะขอลาสึกขาเออขอก็ลาสิกขาสามเดือนไม่บรรลุ ธ, ธรรมเย่ย <laughs> ก็เปลี่ยนหน่อยช่างมาทํางานอยู่ที่นี่ไม่นนไหนีไปไหน เป็นในช่างมาทำงานในวัดนี่ยหลายปีแล้วเจ็กไปแลวกว่าอยู่ี่นี่นี่มันตั้งอะไรไว้จะเอาให้ได้จะได้อะไรมันหมดไปฮะมันมีแต่หมดไปไม่มีอะไรที่เป็นสุขเป็นทุกข์จะได้อะไรเห็นแล้วไม่เป็นมันจะได้อะไรมันก็ปรีแล้วเหลือศูนย์แล้ว ชีวิตลบศูนแล้วไม่มีอะไรเลยชีวิตลบศูนเนี่ยไม่เหมือนอุณหภูมิลบศูนยนะอุณหภูมิลบศูนย์้ำมันหนาวชีวิตลบศูนเนี่ยเราศูนยตาประตูศูนยตาเห็นไหมผ่านเข้ามาทังเห็นไหม มันไม่มีอะไรไม่มีที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็เป็นชีวิตรุ่นล้ว น, วนชีวิตรุน่นล้วนนี้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์อ่าเลยไม่มีการเกิดจเจ็บเจบตายนี่คือชีวิตจริงอะ่ะถ้ายังมีสุขไม่ใช่ชีวิตถ้ามีทุกข์อยู่ไม่ใช่ชีวิตจะมีพอใจไม่พอใจไม่ใช่ชีวิตเลย ชีวิตมันต้องไม่เป็นอะไรมันเจ็บก็ไม่ใช่เป็นผู้เจ็บเห็นมันเจ็บมันทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันทุกข์นี่คือชีวิตแล้วไปเอาชีวิตไปต่อรองกับอะไรอยากมีความสุขความทุกข์วิ่งตามมาถ้ามีสุขมีทุกข์มันมี ค, มมคู่ไม่ใช่ศูนย์ มันเป็นคู่อยู่ถ้าเป็นคู่มันก็เปิดเพื่อนตายผมวาจันต์ไม่มีคู่โมริสุดโมริบูญชินเชิงอย่างเนี้ได้ยินไหมต่ม า, า, าจะมาศรัทธาใครไม่ได้ให ให้ยกมือไหว้ตัวเองไ่ยทำอย่างนี้มันเกิดจากนี้ขึ้นมาศรัทธาการการทำของเราบุญวาสนาอยู่ที่ไหนไม่ได้บรรลุธรรมลาสุขานวาสนาคือทำเอาอย่า อ, าอะไรไปต่อรองถ้ามันหลงก็รู้ทำลงไปเนี่ย เราพูดให้ฟังว่าไม่เป็นอย่างนี้จจิตตายอยู่แล้วไนงะล่มเหลวปวดสนขดเลยมันไม่ยากของง่ายๆไปทำให้มันยากไม่ใช่ได้เห็นอันเห็นนี่มันเบาเบาง่า ย, ายถ้าเป็นแล้วมันหนักหนัก หลงต่อยืนอยู่นั้นไม่มีไม่เป็นอะไรก็บอะไรนะเห็นไหมยื <laughs> นอยู่นั้นเอาไปถ่ายอยู่ที่ประเทศป ร, ประเทศประเทศนคมินไม่เป็นอะไรกับอะไง่ายๆดี แล้วก็ใชยได้เชยได้จริงจริงในวกรรมฐ า, านไปเข้าสงฆามมาแล้วผ่านสงฆามแต่ว่าไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ตายมันหายใจไม่ได้ไม่ต้องหายมันละใจนะ่ะจะอยู่ไงไม่ต้องเป็นอะไรเลยอยู่ตรงที่เป็นอะไรเนี่ยมันก็ตายไป มันหมดไปแล้วมันยังไม่ตายยังมานั่งอยู่เนี่ยไม่มีคำว่าทุกข์ลู้ทีเดียวข้นอยู่ข้างนอกยืนโกชกน้ำตาไหลเป็นแถวเรานอนอยู่ที่ห้องออซียูเรามองออกไปเอา้าคนพวกนี้มาเยือนลองให้กับเราทําไมมาลงให้คนไม่มีทุกข์หนมีประโยชน์อะไร เขียนหนังสือพูดไม่ได้ยาโจมที่ยืนอยู่นอกห้องกอกระจกอยู่ไม่ต้องมาห่วงหลงตาหลงตามีชีวิตเป็นส่วนตัวมากที่สุดพากันกลับบ้านได้ <c oughs> เฮ้เรามาื่อเขามาือทุกข์กับเราเขาเราไม่มีทุกข์กันเลยอ่าอย่างไรไม่มีค่ะว่ า, าทุกข์หายใจไม่ได้ก็ไมา่เป็นทุกข์ อันนี้เพียงแต่ว่าเกิดขึ้นน้อยๆก็ทุกข์แล้วสุขแล้วโปะบางเกินไปชีวิตห้อยเขียนไว้กับความสุขห้อยเขียนไว้กับความทุกข์เขีนไว้กับความักความชังความพอใจไม่พอใจอันซัดชีวิตของเราไปอ่าก็ทุกข์กว่าเถื่อนถ้าอยู่ตรงที่เหลือศูนย์เราเนี่ยชีวิต ดีมากเลยวัน น, น, นนี้ก็พูดตอนไหนก่อนจะไปบวชนาตอนเช้าแล้วก็จะไปทุรละอีกวันะนะแล้วก็จะกมาตอนเย็นถ้าไปบวชนานเราก็ไปักไปจัก ห้าลูกจากนี้จากห้าลูกมีผมมีกระโปรงมีผู้สวดกรรมวาจา่าจานได้อีกสักสองลูปอาจารย์ต้องชจัดให้ด้วยญาจารย์ินไม่ต้องไปก็ได้ดูเลยที่นี่บ้างจะเดินทางไปเชียงใหม่ไปเนี่ยให้จัดให้ด้วยจากไปจากนี้จากห้ารูกมีจานสมหมาย นี่ผมจาจะสมหมายหลวงพ่อกรมพันจุลินแล้วอีกองหนึ่งพอไปดู๋ยวนี้ไปดูนี่เลยอ่ะกลับพระพ้ อ, องกัน